ฟังทำกันมีแต่เรื่องที่จะพูดสู่กันฟังเกิดมื่นสี่พันอย่างที่อยู่ในกายในใจเราเนี่ยที่มีโทษได้มีประโยชน์ที่ถูกได้ผิดถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้ไม่มีใครบอกเราเราไม่เคยทําไม่แจ้งมันก็ มีปัญหาแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ประกอบได้ดูได้เห็นจิงที่เป็นปัญหาก็หมดปัญหาไปเป็นปัญญาไปริงที่เป็นทุกข์เป็นโทษรูกแช้งก็เกิดประโยชน์อดภัยจากการชีวิตของเราไปได้ มีสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่สุขที่ทุกข์กับการใ ช, ช้ชีวิตของตนเกี่ยวกับภายในภายนอกภายใ น, ยนคือร่างกายจิตใจเราในตามีหูจมูกเลีน้นกายใจภายนอกคือรูปรส่กลิ่นเสียงจัมผดาดาลมต่างๆเราก็อยู่กับโลกแบบนี้ มีรสชาติตามสมมุติปัญญาตของโลกต้องปฏิบัติธรรมคือต้องผ่านร้อนผ่านหนาว่านสศกผ่านทุกข์ให้เป็นอย่าไปจนต้องต้องผ่านให้ได้หลบลีกไม่ถูกเหมือนกับเราหลบ ภัยอันตรายทั้งหลายถ้าไม่รู้จกหลบหลีกมันก็เป็นอันตรายอีกข้างสิบปลาดีคนบ้าร้อยเส้นพลอนท่อนสอนรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแล้วก็สอนตนหลบหลีกนี่ไม่มีใคร ช่วเราได้เท่ากับตัวเราเองเราก็ใช้ให้เป็นการใช้กาใช้ใจการใช้สมมติใช้บัญญตัติใช้วัตถุต่างๆใช้ให้เป็นวัตถูกที่มีค่าก็ใช้เกิดประโยชน์วัตถุที่เป็นโทษก็มาต้องใช้ใเกิดโทษหลบลีก ใ้เราไม่เงินใชไม่เป็นก็มีโทษมีเงินไปเชื่อเหล้าจีนไปเชื่อบุรีสูบเกิดโทษเกิดภยัยแก่เราเองมีเงินไปซื้อข้าวปลาอาหารมากินก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและคนอื่นใช่เหมือนกันเงินทองธนบัตร เป็นส u p p o บัญญัติใช้ได้ตามกฎหมายแต่ใช่ผิดก็เป็นโทษเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อะไรก็ตามแต่ใช่ไม่เป็นก็เป็นโทษใช่กายไม่เป็นก็เกิดโทษใช่ใจไม่เป็นก็เกิดโทษ ปฏิบัติธรรมคือมหาใช้กายใจของเราให้เกิดประโยชน์ความหลงแท้มาเป็นประโยชน์ความทุกข์แท้มาเป็นประโยชน์ความอะไรที่ปเป็ญหามาเป็นปัญญาถ้าใช่ไม่เป็นก็เถือนตรงเถื่อนตรง ทุกข์ก็เป็นทุกข์เรื่อยไปรับบาปโง่ไม่รู้จอกโกรธก็เป็นโกรธเรื่อยไปเอามาเป็นทุกข์ใช่ไม่เป็นเอาความทุกข์มาเป็นมรรคผลให้ผ่านได้เอาความทุกข์มาเป็นทุกข์ได้อดใช้เนินเทา้าสฉินมี การได้การเสียมีจุขทุกมีคิอถุกมีเห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่เราก็ใช่ให้เป็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้อยู่ด้วยการ น, นั่นถ้าไม่มีโอกาสหลงก็ไม่มีโอกาสรู้ถ้าไม่ทุก็ไม่มีโอกาสรู้ ออกมาเป็นประโยชน์แบบนี้ถ้าพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยประการเช่นนี้ก็เจ้าได้ตัดชะลูกเรื่องนี้ถ้าเราใช่ไม่เป็นก็พลาดไปความหลงก็ฟรีไปหลงจนตา ย, ต ค, ตายความกทุกข์ก็ฟีไปทุกข์จนตายความโกรธก็โกรธไปโกรธจนตาย ยิง พ, พ่อโผล่เคลื่อนเป็นนิสัยเป็นจริตเกิดนิดๆหน่อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปฉีดก้านเดียวย่อมไม่เป็นเกิดไฟไม่เมืองไม่เมืองทั้งไม่เมืองไม่หมทั้งเมืองไม่ฉีดก้านเดียวเกิดเป็นไฟลุกไม่ทั้งเมืองได้ อารมของเรานี่ยกล่กเสือตำลายชีวิตของผู้คนมามากเสือว่ามันล่ไม่เห็นกัดใครแต่มีไม่มากนี่ไม่นานมานี้พระไปอยู่ในป่ า, าตัวตรงในป่ามี เสือชมมีหมีมากมีหมีมีเสือเอาพระไปในป่าต้องตามหาใช้เฮลิคอปเตอร์ตามหาหมดกันเป็นล้านๆปัญหาที่พระก็้าอยู่ในป่ากวาจะหาพบมันเดินไม่ได้เสือเอาไปหมีเอาไป นี่ก็เลยว่ามีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอารมณ์ของคนนี้มีแทบทุกวันมีอยู่กับทุกคนนี้ไม่พ้นเราไม่ได้เข้าป่าก็ไม่ถูกเสือกัดอารมณ์ของเรานี่มันไม่ได้อยู่ที่นนที่ป่ามันอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเราข่มไล่คมดีผูู้แพร่แพร บางทีก็หลบไม่เป็นหลีกไม่เป็นยอมรับเป็นทาตของความหลงความโกรธความทุกข์ป่วยเพียงแต่ความคิดก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับแล้วกินไม่ได้แล้วไม่ตีออยู่ในป่าในตรงที่ใดอยู่กับใจของเราเอารมณ์ปเป็นคู่ของจิตแต่ไม่ใช่จิตเราก็นึอว่าเราสาปไปยึดเอาเพราะไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาแต่เรามาศึกษามาดูมเห็นมันเนี่ยก่อนที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องมีตามือนเรามีตาถ้าจะเห็นอะไรต้องเลือนตาดูมีวิญญาณทางตาตาไม่บอดอนเราก็เหมือนกันมี สภาพที่รู้ตาภายในของเราเราจึงมาเลืนตาการเลื่นตาคือนี่แหละนีสติสามัญญาเนี่ยดูลอบๆให้มันเกิดขึ้นจากภาวะที่เห็นเห็นกายเป็นปัจจดตังเป็นปัจจุบันไม่ฟรี ยกมือขึ้นก็รู้เห็นอะไรที่เกิดเวลามันเกิดลกบขึ้นกับกายกับใจก็รู้เท่ารู้ทันก็ <c oughs> <c oughs> เรามีตาอยู่แล้วเ่ยนความหลงไปความรู้เอาใช่หลักนี้ไปอย่าหลบลีก มันหลงเป็นมันทุกข์เป็นมันโศกเป็นไม่ใช่หลบหลีกหนีไปอยู่ที่ใดนินทาสันเสริญโศกทุกข์มีในกายในใจเหล่านี้อย่าหลบหลีกเปลี่ยนทั้งนั้นละเหตุเกิดที่ดใดแช่ตรงนั้นความหลงอยู่ที่ใจแช่ความหลงความหลงทีตตาแช่ความหลง ให้มีความรู้สึกตัวเชื่อได้ทั้งหมดท่านพระเจ้าสมัยประกาศพุทธศาสนาใหม่ๆมีแต่คนดา่าไม่มีใครยกมือไหว้เลยไม่แต่ดาแล้วก็ประมาทไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธา เจนาารนญพระอานนท์เป็นผู้ติดตามต้องเป็นปุถุชนจังเดือดร้อนชวนพุทเจ้ากับบ้านเราเธอกับบ้านเราเธอเดี๋ยไหนมีแต่คนดา่าเราจะไปไหนหล่ะอานอนท์ <c oughs> ไปโ น, น่นกคงกบิลภัทบ้านพ่อเราโ น, น่นถ้าไปบ้านพ่อเราเป็คนดา่าจะไปไหนอีก เออเกิดชูใจต้องแก้ที่นั้นที่ไหนคนไม่นินทาฉันเสริญไม่มีมีผิวทุกแง่แม้แต่ในตัวเราก็มีสุขสุขทุกทุกเราต้องแก้เหตุเอธรรมมาเหตุปรพรวาวเปลี่ยนที่เหตุมันหลงเปลี่ยนเป็นโล่เนี่ย ทำได้ไม่ใช่ไม่มีใครทำมาได้ถ้าใส่ใจสักหน่อยเพียรสักหน่อยเพียมประกอบเวลาเราปราลบความเพียรให้พอใจมีสตีขยันอย่าเห็นเจนอนอย่าเห็นเจเล่น <c oughs> อย่าปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไม่มีขอบเขต ถ้ามีขอบเขตไม่ควรคิดก็อย่าไปชิดไม่ควรพูดอย่าไปพูดไม่ควรทําอย่าไปทําปิดตนสอนตนจยงเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่อยากค่อยดีค่อยเห็นแจ้งขึ้นมาหลงทีใดลู่ที่นั้นเอาออกไปมาไปชำนาญในความรู้แล้วก่นะนชู้ความหลงไม่ได้ความหลงพาไป ถึงเกาะศีสังนนท์มีไหม <laughs> ไปถึงกรุงเทพไปถึงไหนยูกีก็ไปถึงญี่ปุ่นน่นนวลถาวรี่น้องชาวจีนอนาทีมองเยน็นสอนธรรมะทุกวันมีอะไรนี่ประหาอะไรหมาย ก็ว่ากันยียบอย่ถ้ามีอะไรมันหลงไห ม, มง้อนอนไหมแล้วก็บอกบมีถ้าง้อนอนทำไงไปเมือ ง, ง, งกินจีเที่ยวแล้วกลับบ้านจีเที่ยวแล้วหลงไหมเขาก็บอกว่าหลงเอาความโกรธมาด้วยไหมเอาความรักมาด้วยไหม เอาคนที่รักมาด้วยไหมเอาคนที่โกรธมาด้วยไหมแปลว่ามีเหมือนกันแต่เวลามาหลงตรงไหนก็เปลี่ยนตัวรู้ตรงนั้นจริงเฉลี่ยว่าปฏิบัติถ้าเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไม่เป็นรี่ว่าไม่ใช่นักปฏิบัติปฏิเสธไม่ได้คนเราบางทีเราสอนคนเระให้เป็นนักปฏิบตัติเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติ แล้วก็หมดปัญญาเอาปฏิเรธสุขก็ของก็เขาสุขทุกข์ก็คือเขาทุกข์บรรณาได้ว่าปุถุโอตุชนตากันแล้านะุอตุชนพอฟังพอฟังกันได้น้อมใจฟังดูสักหน่อยอาจจะถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องอรปกอบลองดูเนี่ย อย่าเป็นปะถุชนปะโถมันหนามีหูก็ฟังมีตาก็ดูมีหูวฟังมีใจก็สัมผัสอารมณ์ลองดูแล้วก็อารมณ์ล้ายอารมณ์ดีให้เห็นแจ้งอย่าหลงความสุขอย่าหลงความทุกข์อย่าให้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ให้เห็น เนี่ยปฏิบัติธรรมเห็นมาดูพระพุทธเจ้าพูดแต่เรื่องเห็นอย่างเนี้ยว่าใช่เรื่องอะไรเห็นธรรมเห็นความหลงเห็นความรู้ใช่ได้ถ้าเป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ใช่ไม่ได้เห็นมันสุขเห็มันทุกข์ใช่ได้ถ้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ใช่ไม่ได้เห็นตรง ทุขที่ใดก็สุขตอนนั้นทุกข์ที่ใดก็ทุกข์ที่นั่นนั่นไม่ใช่เห็นธรรมไม่ได้ประโยชน์จาก็สุขคมสุขความทุกข์มันผิดก็รู้เห็นมันผิดมีกันทุกคนอยู่ดีๆเสียงเท้าหาเชียนาหาหัวสีหัวหาเรื่อง กคืนเป็นควกักลางวันเป็นเปลวช่วยไม่ได้อยู่แบบมีเจ้าของอย่าเถือนลายเถือนใจเถือนให้เขาหอบเพียวไปกลาคืนว่าฝันกลา ง, กงวันว่าคิดเวลานอนก็ไม่ได้นอนมัวแต่ฝัน ขึ้เบืองพลังงานเนี่ยเราจะทำไงจะไปเสียดได้ไงถ้าเป็นสอนตัวเองถ้าไม่ประคัดตัวเองแล้วก็เป็นโทษต่อตัวเองถ้าประขัดตัวเองได้ก็เป็นประโยชน์จากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวทธรรม เป็นอินเป็นผมเป็นพระสงฆ์สุดก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติต่ำลงไปเป็นเป็ดเป็นสุรกายเป็นสารโลกเดรัจฉานเป็นภูมิที่ไปเจริญมีในโลกนี้เหมือนกันความชั่วก็ได้ผลความชั่วติดทุกข์ติดลางตลานชีวิตแต่ไม่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 มีตัวบทกฎบายมีความถูกความผิดถ้าไม่มีความถูกความผิดเราก็อยู่กันลำบากมีศินมีวินยัยแม้แต่สัตว์เขามีระเบียบมีวิยัย <c oughs> มีหัวหน้าเคยเรื่องวัวเรื่องควาย <c oughs> ผุ้งใหญ่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 ปลอดภยัยตัวมันจะลงได้แต่ลูกน้อยหลานเล็กมันก็มีมันก็มองถึงหน่ฝงของมันมันไม่ยอมลงแต่ไล่งไงก็ไม่ลง <c oughs> ว่นปิ้งผ่านมาถึงค้อเถ้าไม่เดียวเราตีมันก็ยังหนีไปเราไปรู้มันแต่มันรู้ ก็มันพอจะลงได้มันพอจะขึ้นได้ลูกน้อยของมันมันก็ข้ามไปได้บางทีจะไปออกจากคอกถ้าหัวหน้าไม่ออกจากผงไม่พาออกลูกน้อยมันก็ไม่ออกถ้าจากคอกทับจาาผงไม่เดินหน้ามันก็ไม่เข้ามันมีหัวหน้าเหมือนกันเวลาไปล่ําเขดคนเดินจาาผงอีกตัวหนึ่งคือห่วยถึก ต้องป้องไว้ไม่ให้ข้ามไปเขตเขาต้าไปเขตเขาหรือว่าผิดระเบียบของสัตว์ป่าเขาก็มีระเบียบเหมือนกันแล้วก่อนี่หลวงตาอยู่กับสลาไก่สลาไก่มีไก่ป่าเยอะแยะแล้วก็มีสองผง ผงหนึ่งทางที่ใต้ผงหนึ่งทางทิศเหนือจลาเวลาเราเอาข้าวให้มันกินมันก็เวลาหวานไปทางทิศเหนือทางทิศใต้ก็ไม่กล้าไปถ้าไปแล้วผงจะทางทิศเหนือก็ไล่กลับมาตัวเล็กก็ไล่กับตัวใหญ่ได้เ้ายอมผิดพลาดถ้าผงถ้าหวานไปทางทิศใต้ทางทิศเหนือก็ไปกินมาได้ถ้าไปก็ เขาก็ไล่กลับมาต้องยอมเขาตัวลเล็กก็ยอมยอมตัวตัวใหญ่ก็ยอมตัวเล็กได้แต่ทําไง ม, มันขีได้กินด้วยกันอยให้มันสมาสมนชั่ววิญญาณนะขี้น้อยฮะถ้าหวานไปทางด้านที่ตะวันออกอพอหวานไปด้านที่ตะวันออกมันก็รู้นะแล้วก็ไปกินกินด้วยกัน นี่บางทีเขามีระเบียบไก่ป่า <c oughs> ให้ขันได้ตัวเดียวในในป่าแต่และจ่าขันได้ตัวเดียวถ้าตัวไหนขันขึ้นมาถ้าตัวจ่าผมก็จะต้องวิ่งตามเสียงไปมันใครมาดังอยู่นี่พอเห็นเราก็ไล่ตีกันเลย <c oughs> ไล่ตีกันเลยบางทีฆ่ากันตายนะไก่นะไก่ปานะ่าเนฆ่ากันตายเลย ไล่กันทั้งวันนะแต่ถ้เก็มีลเลียบขันได้ตัวเดียวที่เป็นจ่าผงตัวอื่นห้ามขันจึงมีจึงมีผานป่าไปต่อไก่ตาเห็นไก่ตัวไหนขัน เก่งๆทีๆอยู่จะแสดงว่ามันกําลังขึ้นมีอำนาจเก่งก็ส า, ามารถขันตลอดเวลาก็เอาไก่ต่อไปไก่ต่อก็ต้องขันเหมือนกันเอาไปดักไวในที่เขตไก่ป่าที่มันมีเจ้าผงที่มันขันอยู่พอไก่ต่อไปโผกไว้เราก็ดักแหี้ยวเอาไว้วรอบ ใช่ไหมเวลาไก่ต่อมันขันขึ้นมาไก่ป่าที่มันเจ้าของอยู่ใครมาดังที่นี่วะมันมาตีมาจากไหนเหมือนแจ้งนักเลงในเีตต่างๆก็วิ่งไปหาเอาวิ่งไ ป, ง ไ, ปไก่ตอก็ขันท่าอยู่ไก่ป่าก็โกรธอย่างหนักวิ่งเข้าไปใส่จะไล่ให้หนีออกจากที่นี่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 นั้นเราไ่บ้านเรือนคนไปล่ำที่ของเราเราก็ไล่ออกได้ิทตีนี่หรือว่ามันก็มีขอบเขตแบบนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์แต่บางที่ก็ <c oughs> มนุษย์นี่เถื่อนกว่าสัตว์ดุอำนาจไม่เคารพสิทธิของคนอื่นก็มีทาให้เกิดการทะเลาะว่ากันทั้งประเทศ เงินไม่ทองมีอำนาจอะไรจะไปใช้ทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องเป็นธรรมไม่ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราก็มีความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมหาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับเร า, เร า, เราให้ได้ถ้าเมื่อเรามีความเป็นธรรมคนอื่นก็เกิดความเป็นธรรมได้ถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมโคตุนก็เป็นโทษได้ เจ่มันหลงหนึ่ไม่เป็นธรรมกับตัวเราความรู้เป็นธรรมกว่าความทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อเราความไม่ทุกข์เป็นธรรมกลัวความโกรธเป็นธรรมต่อเราความไม่โกรธเป็นธรรมกลัวเนี่หาอย่างเนี้ยสร้างธรรมะจากเนี้ยเกิดขึ้นกับเราทุกคนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จะ่ใช่ตัวกฎหมายมบังคับมันก็ไม่จบไม่สิ้น แต่มีคนติดคุกล้นคุกกรนอยู่คนไม่เงินไม่ทองก็จะต้องตัดถิ้นจำคุกนี่เป็นเป็นความเป็นธรรมไม่อยู่นอยในหมู่มนุษย์เราแต่บางคนก็สร้างกว่าเป็นไม่เป็นธรรมไม่เกิดขึ้นอเรื่อง <c oughs> จะเล่านิทานนี่ฟังฟังไหมยคงไก่ได้ยินกันมามากพอสมควรนี่ทานแลวนี่มันมีมานานแล้วเช่นสุลาสัปมิตรมาจากใครเคยได้ยินไหมนายพานสันายพรานสุละเขาชื่อสุลั ก็เป็นพานล่าสัตว์หายิงสัตว์ป่าแต่ไปทุกครั้งทุกคราวสัตว์ป่าก็เงียบหายากก็จะล่าได้สักตัวหนึ่งไม่บางทีก็ไม่ได้เลยแต่บันนันเข้าไปเสียงนกร้องเจียวเจียวเจียวเจียวปอนป่ากเข้าไปจะไปยิงนก นรก็ร้องเป็นฝงเป็นหมูหยอกลกอกัอนตีกันทุกครั้งที่ผ่านเข้าไปจะนกจะต้องวิ่งหนีแต่วันนั้นนกก็ไม่วิ่งมินไปไหนยังหยอกลกก็ยังร้องล้อมทำเป็นกันอยู่เป็นฝงเป็นฝงก็โลกอก็อแต่ก็ยังมีลีงข้างก็มีอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นหัึ่งในพานสุระก็จิงเอานกที่เอา ก, ก็โลก มาปิ๊งนั่งกินอยู่แล้วก็นกก็ยังไม่หนีไปไหนอะไรยินปิ้งนกแล้วเอมันนกมันอะไรมันทำไมไม่หนีผิดปกติสังเกตไปสังเกตมามันมีน้ำอยู่ในคางโคกต้นไม้น้ำมันขังอยู่ แล้วนกไปกินลีข้างไปกินนอนเลื่ออลาดอยู่อาจจะเป็นเพราะน้านี่ลรืมั้งท้าไบ ม, มันสนุกสนานแบบนี้ไม้พานชุละก็ขึ้นไปไปเอานา้าเอากระบอกไปตักนา้ากินลองดูออกินแล้วมันก็เมาใช่ไหมก็น้ำนั่นอะ่ะพวกนกพวกอะไรข้าบพริกไทยดีปีอะไรมากินมากลับมาทายเฉย มันก็ถูกบักถูกแช่ก็เป็นเป็นสุลายังไม่ได้ดองถ้าดองเรียกว่าเมรยัยถ้ายังไม่ดองด้วยกันเรียกว่าสุลาสุลาเป็นระยะมัชชะได้ยินไหม <laughs> ถ้ายังไม่กั่นเรียกว่าเป็นสุลาถ้ากั่นแล้วเป็นเมรยัย <c> น <oughs> ายพรานสุระก็ไปมาจิน่นจิ่นแล้วก็เมา ถือเปี้งไก่เปีงถือเปิ้งนกพ่อนอยู่คนเดียวสนุกสนานดี <c ười> เคยเห็นคนเมาเล่าไหมก็นายราสนุระก็เมาแบบนั้นน า, าูโรจการนอดอยู่คนเดียวในปา่าด้วยโดเอ๊ะมันสนุกวัา น, นี่นะน่าจะไปให้ใครน้อกินเป็นเพื่อนกันนะเลยคิดได้รอย กินจลาเมาเต็มที่กินน้ำหมักในคางโคกต้นมากกินละมันเมาคิดถึงพระเจ้าสบามิตรที่เป็นพระราชาเอน่าจะาไปฝากพระราชาว่ามันสนุกสนานปานนี้ไอ้พานสล้วก็ตากเก่าไปใส่กระบอกจะไปถวายพระเจ้าสบามิตร <c oughs> ให้ดื่มน้าด้วยกันพระเจ้าสบามิตรก็ นายจุลานายจุลาพานชุลาก็ประกาศน้ำอย่างนั้นนี้พระเจ้าสัพมิตรก็เลยคิดอยากลองดูนายพานจุฬากล่าวถึงสปปรรพคุณดีอย่างนั้นดีองนี้เห็นบ่าควรจะเป็นพระราชาเป็นพระสวยคนพวกมันดีจึงคิดถึงพระองค์นํางาฝากพระเจ้าสัมมิตกําลังจะดื่ม กำันเกิดเต้มทดาหวันไหวผู้มีความถูกต้องเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ถือขวดกระ บ, บอกน้ำเหมือนในพันเอาไปถวายนั่นถือขึ้นกับประกาศน้ำนี่วิเศษจริงเว้ยใครดื่มเข้าไปเห็นการล่องลำทำเพลงแก้ผ้าไม่รู้จะกาย น้ามีพิเศษจังเอ้ยไอเดืนว่าไปเมาแล้วปู่กับลูกสพ้ายกอดเที่ยวพราศีกันได้ไม่รู้จักอายน้ามีพิเศษจังเอ้ยลูกเขยกับแม่ยายถ้าเดืนลงไปสามงาสมโชกอดเที่ยวราศีกันเลยไม่รู้จักอาย น้ำนีพิเศษจังเอ้ยถ้าเดิ่มได้เมาลงไปแล้วไปในบ้านก็มารู้จักรักษานองงานอยู่สนกสนานน้ำ น, นีพิเศษจังเอ้ยเห็นกันฆ่ากันตีกันเข้าฆ่าเข้าตีกันมารู้จักอายแต่พระทรงเจ้าฆ่าได้ประชาได้ฟังในโอ้มัน คนของสลามันขนาดนี้เลยเบอกให้ปล่อยผาประชาชนเอาน้าไปฟังให้ลึกชั่วจิตชั่วคนมันวิเศษขนาดนี้มันอันตรายจึงเอาไปฟังไหม่พระเจ้าสมิทธ์ฟังใหม่แล้ว ไ, ได้ดื่มแล้วแต่เราทุกวันนีก็ยังมาดื่มกันอยู่ใช่ไหมสับไพมิตคือใครฮะ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 มีร้องเพลงเล่าจ๋าเล่าจ๋าเมียตายไม่ใชยได้สโลห์หกตอนมี้ก็เอาลรถเลยไม่กล้าลงรถเลยเรียกร้องไปยังรักวคู่ใหญ่ว่าเพลงนี้ทำไมว่าเปิดสาธ า, ารณะการนี่ไม่สมควรกานเล่ากับสาธาเราสอนไม่คนจินเล่ามีจินสมาธิปัญญาแล้วก็ยังจินกันอยู่ ปานนี้ก็ยังเอามาอยู่เพราะเราจึงมีแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องมารับผิดชอบตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะลื้อความชั่วออกนะอ้บันมีนินทาไม่ต้องกลัวให้มีเสนรห์ไม่ต้องกลัวสุกทุกข์ไม่ต้องกลั ว, ล, วลุยมันเลยเข้มแข็งม่ความอ่อนแรอย่ายอมแพ้ จะให้อารมณ์ผอ่อนผิวไปปฏิบัติทรรมต้องผ่านจริงเหล่านี้มันโกรธผ่านความโกรธไ ด, ด้ทุกครั้งมันทุกผ่านความทุกได้ทุกครั้งมัน้ลงผ่านความลงได้ทุกครั้งมันจะแจกกล้าขึ้นง่ายง่ายยิ้มยิ้มก็เราไม่ผ่านตรงนี้ไปไม่รอดเจือชาติ ดองจนตายทุกจนตายไม่ใช่ชีวิตของเราเอาเราจึงต้องปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่ในเรานี่แหละให้มันผ่านผ่านลงเป็นรูปผ่านทุกเป็นเปทุกเนี่ยไปเป็นชีตตังเมชนะชนะตัวเองใน่เป็นชนะบัตรเสิร์อย่นี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเราจะมาเรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติ าคนสลสิทธยอมความโกรธยอมยอมทุกข์ยอมทำชั่วไม่กล้าทำความดีมันมีที่ไหนเสียชาติอนอย่าปฏิเสธเรื่องนี้กันต้องร <c oughs> ับผิดชอบชีวิตของตนทุกคนก็ไปรับผิดชอบก็เป็นโทษโตัวเองและคนอื่นได้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 ที่ที่เราได้ยินเรามาทำดูทอแเรามันเห็นเห็นแล้วก็แจ้เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนปีเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไ ป, นปนทุกอย่างเนี่ยมันสนุกนะเรื่องนี้นะไม่ใช่เบื่อหน่ายนะฉันทะข้าขอใจตาลบความเพียรเหงนเจอนอนมากนัก จันทาวเวทิวิยาลาปิกิตังปะกันนาทีปะกันนาทีนี่ันทาริยะจิตาอิมังสาทำให้สำเร็จทำที่ทำให้สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จถ้ามีหลักธรรม4ี่ข้อนี้จันทาพอใจในการกระทำเพียงประกอบอยู่เสมอเอาใจใส่อยู่เสมอ ดูหน้าดูหลังให้ดีมันหลงกับความรู้อะไรเป็นผิดแต่ ว, ว่าวิมังสาเกี่ยวเพี่ยวอยู่อย่าเป็น <c oughs> เอาทั้งหมดมันกินผลไม้ทั้งเปลือกกินมังคุดเนี่ยจะต้องกินตั้งแต่เนื้อในมันเปลือกอย่าไปกินมันขมชีวิตของเราก็เหมือนกัน เลือกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้หัดเลือกตัวธรรมวิจยะสอดสองก็รับไปบางทีก็ปฏิเสธเห็นแจ้งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไปจากแต่ว่า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 เสียงกองจะร้องว่ายะถาปัจจะยังยถาปัจจะยังเพราะมันเป็นข่อยตู้มันเป็นเนนมันไม่ท่องไม่ท่องยถาปัจจยังเวลาไปบิณฑบาตต้องว่ายถาปัจจยังไวๆเราปัจจะยังวัตถามธาตุมัะไม่เวดังกัทางพุจจะป็ะนพรจตุปุตตุโนิโตนิจงจงจงปุตตุนิจดีดด ไม่ใช่ไปมองดูคนใส่บาตนะพระหนุ่มนน้อยไปยที่เห็นหญิงสาวใส่บาตรตองหน้าเขามันมันมันเป็นบาปแล้วนะต้องมองเป็นยะถาเปจังประวัติธมานังผู้รับมินทบาตก็จักวทาตผู้ใส่บาตรก็จักว่าธตราธรรมธาตเช้านั้นอาหารที่เขาใส่มานี่เป็นของบริสุทธ์ มาแต่เดินอยู่แต่มาถูกกับเราแล้วเป็นเน่าอยู่เป็นนิดเป็นของนายเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันใช่ไหมอ่า น, น, นก็จะถาปัจจิยังงั้นจะไม่หลงอ่าเราจะไปหลงมันหิวมันอร่อยมันเป็นจกวัสดิ์เห็นมันลูกมันเหนื้อมันอย่างนี้มันก็ดีนะไปเบียบต่างๆไม่ในต่างๆ แต่ว่าเราเป็นเห็นตรงอาจจะไม่รู้ว่าเอาพิธีรีตองเป็นศิลพดปลายบางคนถ้าก็บเอาข้าวมาเสกยาธาปัจปจวังปวตธรรมงานลังทาตุต้งมาดึอามาจินข้าว <c oughs> <c oughs> อ น, นั้นไม่ใช่นะท่องให้มันเห็นภายในใจของเรายังมีนะร้องตาแฉบแฉบบางองจับเข้ามาทับไปองพุกันตัวอามาจินข้าวไม่ใช่ ศีโพศแปดกานภายในถึงใจเราเนี้ยให้มันอย่าเห็นเป็นตัวเป็นตนมากนักอันนี้เราว่าไม่เป็นบาปอย่าหลงมันหลงได้ทุกกรณีนะในชีวิตเราหิวก็หลงอิ่มก็หลงรถ ด, ดีก็หลงรถไปดีก็หลงอันชอบไม่ชอบล่าคือตัวหลง จะเอะ ก, กันที่แรกเลยถอนความพอใจและความเมาใจในโลกออกเสียได้ถอนออกมาเ ห, มเห็นมันเห็นมันไงมันจะไปอย่างงดงามถ้าเป็นผู้ชอบเป็นผู้ไม่พอใจมันก็ไปเฉยไม่ได้ยังอยู่ในหลักเก่าอยู่เกิดมามืดก็ไปมืดถ้าเกิดมามืดไปสว่างเห็นหลงเป็น ตูไ้ไปมันสว่างไปข้างหน้าไปนะไอายินบอแม่เพื่อนอะ่า <laughs>